พระธรรมาเทศนาแผ่นที่85าลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่ากิเลสมันฉลาดใจเราจึงได้โง่ วันนี้เป็นวันที่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2559นห้าสที่หลวงพ่อกลับมาวันที่ส3บสาวันที่ส3มีนาในวันนั้นก็ทราบข่าวว่าเตี่ยมนัทพ่อคุณพ่อของ เสียตุย้ยเสียต้อมเสียเชษเจนกมีลูกอยู่สี่คนเสียตุ้ยเป็นคนโตเสียต้อมค น, คนที่สองเจนกเป็นคนที่สามเชษเป็นคนที่สี่การล้วนแล้วแต่เป็นพุทธศาสนิกชน ท่านปลูกฝังลูกของท่านได้ดีมากตัวของท่านเองคุณแม่คุณโยมขันทองก็เคยมาอยู่ที่วัดของเราเคยมาอยู่จาพรรษาตเตี่ยก็เคยมาแต่พอมาต่อมาหลังจากนั้นท่านก็ไปอยู่ศาลาน้อยวัดหลวงพ่อนิพน์เพราะอากาศตรงนั้นมันอากาศภูเขา ท่านก็ไปจาพรรษาแล้วไปอยู่ปฏิบัติธรรมจูวัดนานพอสมควรจะุปแล้วก็คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมปลูกฝังอุปนิสัยของลูกหลานลูกหลานเขเข้าวัดจูวัดวาศาสนาเป็นสาธนาเอกชนเป็นพุทธมาม ก, กะยึดพระไตราสารณคมเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ยึดพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่หลวงตาของเรา สายหลวงปู่มันนำทางประพฤติปฏิบัติท่านก็ได้อายุของท่านก็มากแล้วก็จากไปตามอายุสังขารแต่ขณว่าเก่งนะท่านเป็นอะไรเป็นปอดแต่เจ้าวามะเร็ ง, งก็คงจะไม่ใช่หรือผมเป็นมะเร็งรุ่นที่ไม่รุนแรงเขาเอาปอดออกภูนึงตามปกติ คนเรามีต่ามีปอดอยู่4ภูโพว์นะ เ, เหมือนกับภูมันก็ทุเรียนในลักษณะอย่านกันแหละทุเรียนอยู่ในอยู่ในท้องของเรานะถ้าเขาออกเอาออกทุเอาออกทุเรียนภูหนึ่งเหมือนกันยังเหลืออยู่2เป็นปอดนะแต่คุณหมอเพ็นสีแล้วก็คุณพ่อเอ้ยหลวงพ่อนะบอกอ ย, อย่าไปฉีดเคโมีทอนะ รักษาตามอาการแต่ให้เคโมเนี่ยโดยมากคนให้เคโมเนี่ยมันโดยมากมันจะยุบทันทีแล้วนะพอจะหายขึ้นมาก็ใสอีกจบอีกผลในสุดก็จูไปชั่งกระตายไปอย่างงั่นแหละถึงข่าวไหนก็ข้านั้นหล่ะไม่ต้องใส่เคโมโีท่านก็ฟังนะเชื่อ แต่ก็ได้13าปีนะได้สิบสามปีเพิ่งจากไปเมื่อวันที่ส3บสมีนาไปแบบสงบไปแบบง่ายๆแต่หลวงพ่อไม่ได้ถามอายุเท่าไหร่อายุคงจะมากแล้วคงจะป่าเขาเจกว่าเกือบจะ80ดิบตะมังน่นนะแล้วก็วันที่20สบจะมีการไปชุมเพิงเวลา16ศูนย์ูนย์นอ ของวันที่20ถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้หลวงพ่อก็คงไปวันที่20แต่หลวงพ่อก็ได้ถามไทยมีอะไรไหมก็คงไม่มีอะไรเออแต่ไม่มีอะไรให้ลูกหลานจัดสวดอภิธรรมไปเถอะนะวันที่20หลวงพ่อจ ะ, อะลงไปถ้าหากว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะก็ะถือว่าเป็นโยมอุปถรรัมภะถากเป็น ลูกหลานของท่านก็เข้ามาสู่วัดวาศาสนาจะหมายเมื่อน้ำท่วมกรุงกรุงเทพปีห้าสเราก็ไปตั้งโรงทานอยู่นี่นะอยู่กับกลุ่มลูกหลานเหล่านี้นะที่หวังน้ำเปรี่ยวอาศัยข้าวข้าวเสียต่มข้าวเสียเฉ็ดจากนั้นเลี้ยงคนกรุงเทพเราก็ให้การสนับสนุนเรื่องอาหงอาหาร แล้วก็ลงพวกเราก็ทางในครัวของเราก็ลงไปชาวบ้านของพวกเราก็ลงไปไปทําอาหารช่วยกันอยู่ทางนู้นที่อําเภอวังน้ําเปลี่ยวจากนั้นก็ใส่รถทหารลําเลียงเข้าไปส่งเข้าไปในกรุงเทพแถวเมนบุรีแต่ละวันละวันโอ้หดไปมากเหมือนกันนะวัดของเราแล้วก็กลุ่มกลุ่มของเรา แต่ข้าวข้าวไม่ได้เสียหรอกเพราะว่าเป็นข้าวของเสียต้มเสียเช็ดเป็นผู้ให้มาเราก็มีต่คข้าอาหารกับข้าแรงเข้าไปทํามีเป็นข้าข้าวโดยก็คงจะหลายเงินโอ้หมดเข้าไปวันละหลายกระสอบเหมือนกันนะเลี้ยงคู่คนนั่นสรุปแล้วก็คือลูกหลานของโยมมานัดโยมขันทองนะ่ะ ลูกหลานกลุ่มนี้แหละเป็นภูมิปิดใจไฟกุศลทำบุญทำทานเดี๋ยวนี้ก็ยังทำทาบุญทำทานมาโดยตลอดแต่ที่งยังไงท่านต้องไปดีพอจิตใจเป็นกุศลแต่ฟังฟังดูแล้วก่กอนที่จะจากไปท่านก็เน่งเหมือนกับนั่งหลับตาภาวนา ขัดก็คงจะรู้แก่ใจของท่านนะโอ้ข้าวนี้คงไม่ไม่รอดแน่อคงไม่รอดแน่ขาวนี่นี่แหละท่านก็คงจะภาวนาของท่านของเตีย๋ยนี่ยะลูกพวกเราทุกคนนะสทาญาิโยมลูกหลานถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะถึงจุดจบอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนั่นละ่ะ วันนี้เป็นวันพระเอกวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสี่ปี น, นี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งเป็นวันพระของคณะสัาาตยาิโยมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าให้พวกเราถึงยังไงหลวงพ่อจะพูดจะเตือนจะกล่าวยังไงให้พวกเราให้จำเอาไว้ว่าวันนี้เป็นวันสําคัญในการประพฤติปฏิบัติของเรา อย่าได้เตือนกันอย่าได้บอกกันเหมือนกับวันไหนวันทำงานวันออหมอนัดลักษณะอย่างนั้นหละอันนี้เป็นวันพุทธนัดสาชนิพุทธศาสนิกชนนัดกันแปดคำสิบห้าคำควรมามาร่วมกันประกอบคุณงามความดีออมาสมาทานศีลมาไหว้พระ แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจถึงจะไม่ได้สมาทานเป็นองค์ศีลก็เถอะเราสมาทานเองพอมาถึงแล้วก็นะกราบาพระประธานเสร็จแล้วก็ตั้งนโมตัสสะในจิตในใจนะกันตั้งติจาริยธรรพุทธังธรรมังสงังขังแล้วก็ปานาติปาอจินนาธาน า, ากาเมสุมิจฉาจามุสาวาสุราเมรยะ อธิษฐานถึงห้าข้อจแล้วกันนะ่ะเออิมานิศีลาแล้วก็อธิษฐานมิแค า, าว่าตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาศีลห้าในวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งตั้งจิตอธิษฐานไว้เพียงแค่นี้ก็เป็นศีลห้าแล้วไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์พานามหรอกอแต่ไปบางแห่งหลวงพ่อไปเห็นเออศรัทธาญาติโยมเขาดีนะ พอไปหลวงพ่อขึ้นรำมาศเสร็จแล้วเขาก็ไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็ตั้งน้โมพอตั้งน้โมเสร็จแล้วก็พูดทางทำมังสังขังเสร็จแล้วเขาก็กล่าวเป็นองค์ศินเลยอ่าปาณาติปาปตาเลยอาทินนาธานาเนยเขาพูดเป็นขอ้อเป็นขอ้อเป็นขอ้อเขาสมาทานเองเลยไม่ต้องพาไม่ต้องให้พระพานําสมาทาน อพอเสร็จแล้วพออิมานี้ปัญจะศึกษาประดานี้สมาธิยามิคือขอสมาทานเองสมาธิยามิคือขอสมาทานศีลห้านะออย่างนั้นก็ขาอาราธนาเทศนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายมาสู่วัดถึงจะมาเด็กมารับจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไปวัดไหนก็ตามพอวันวันพระเนี่ยเราก็กราบพระประธานเสร็จแล้วก็ตั้งกิตอธิฐาน ข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันพระแปดข้ามสิบห้าขําของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประกอบคุณงามความดีจะไม่ให้ขาดตลอดชีวิตทั้งชีวิตถึงจะข้าพระเจ้าจะล่มหลงไปหลายวันแต่ว่าแปดแปดข้ามสิบห้าข้าเนี่ยข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าหรือศินอุโบสถตามอัตภาพนั้นในช่วงนั้น นี่ละคือผู้มุ่งมั่นต่อศีลธรรมอย่างพระมหาชนกนะต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าของเราสวยประชาติเป็นมหาชนก น, ะนั่งเรือเรือไปแตกในกลางทะเลเพื่อจะข้ามไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเรือแตกเพราะเรือแตกก็ลอยคอในในในมหาสมุทรลอยคอในมหาสมุทร ไปรู้วกี่วัน เ, เห็นแ ต, พต่พระอาทิตย์ขึ้นมาพระจันทร์ก็ตกขอบฟ้าพอาพดีโอวันนี้เป็นวันอุโบสถถ้าหาว่าเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในเวียงวังก็วันนี้เป็นวันอุโบสถของเราพอว่าท่านนั้นท่านก็ทั้งที่ท่านลอยคออยู่ในมหาสมุทรนะปอกป๋อมป๊กป๋อมปอกป๋อมยง เออลอยลอยคออยู่ท่านกรบ้วนน้ำทะเลนะอมบ้วนปากคอกคอ ก, คอกน้ำในปากบ้วนน้ำทิ้งเพื่อล้างปากให้สะอาดนะออคือก่อนที่จะรักษาอุโบสถนี่ต้องล้างปากให้สะอาดไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีอะไรอยู่ในปากนะพอล้างเสร็จแล้วล้างปากสะอาดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถศีล เพราะวันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันรักษาศีลของข้าพเจ้าเป็นวันอุโบสถเป็นวันเดือนแผ่นเออเป็นวันวันเป็นวันแผ่นเอ่อท่า น, นนะ่ะคือตั้งจิตอธิษฐานเป็นศีลแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปรับกับพระหรือไปรับกับผู้ใดใครเอออธิษฐานตั้งจิตวิรตเจตนาเป็นศีลแล้ว เพราะนั่นการรักษาศีลถ้าเรารู้วิธีการเนี่ยมันไม่ยากอมีแต่คนไม่รู้นะ่ะเทำที่วิธีอย่างไงก็มันไม่สุดอกสุดใจเออรับศีลจากองค์นี้แล้วก็ยังไปรับศีลกับองค์นั้นรับหลายๆองค์รับขนาดไหนก็นยังไม่สุดใจอยู่เอพราะอะไรเพราะเออมันอยู่ในจิตใจของเราคือเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้เชื่อมั่น ถ้าเราศึกษาเชื่อมั่นในทำคําสอนของพุท ธ, ธะกรรมคือการกระทำํทำทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงในเมื่อเรารักษาศีลก็ต้องเป็นศีลสิเพราะอะไรพ่อเรามีวิรัตเจตนาเราเป็นผู้สมาทานศีลมันก็เป็นศีลสิจะเป็นอะไรถ้าเราทํากรรมชั่วละถ้าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วไม่ห้ไม่ใช่ไปหาครูบ า, าอาจารย์เวลาไปกินเราไอ้ครูบาอาจารย์ เอปู่ญาติตายายญาติโกโหัวติกาที่รักเคารพของผมผมกินเหล้าเนี่ยดีไหมครับไม่เห็นถามนะเอเห็นแต่หมู่บับกอกเอากอกเอาเอแล้วไปทําความชั่วยอย่างอื่นก็เช่นเดียวกัน mm hmm. ก็ไม่เห็นถาม เ, เวลาจะมาทําคุณงามความดีหรือทำพิธีทีตองหลักฐานนู้นบันท่านี่เรื่องนั้นโมเรื่องนี้่ <c oughs> จะทําคุณงามความดีเป็นเรื่องเป็นราว แต่ทำความชัวนะ่วมู่ปับมู่ับเลยทำไปเลยอมันเป็นอย่างนั้นไหมโลกเนี่ยเพราะนั้นท่านจึงหลวงตาท่านจึงพูดว่ากิเลสอยู่ในหัวใจใครทําให้หัวใจนั้นโง่แต่กิเลสนั้นฉลาดอฉลาดกิเลสนั้นฉลาดแต่พอไปอยู่กับหัวใจใดก็ทําให้หัวใจนั้นโง่พอมันทําให้หัวใจงโง่ฉลาดคนฉลาดไปอยู่กับผู้ใดเนะี่ย เออมันก็ไปกอมเก่าคนนั้น่ะให้เป็นคนโง่เพราะเหตุไรเพราะกิเลสราคาเราะเนี่ยอพอไปอยู่ในหัวใจสรรพสัตว์กับกอมเก่าเรื่องราคะขึ้นมาอแวไหนจะก๊ำนัดยินดีนไหนะจะสชยงามไหนก็ตงแต่งเติมเข้าไปจนใจร้นแล้วรุ่มหลงไปตามกิเลสบางทีมันเกิดโทสะอกิเลสโทสะเข้าไปไปกอมเก่า ไปยุยงปงปอยกจอปอปั้นเข้าไปใจตรงนะั้นไปทางกิเลสโทสะขึ้นมาหนะผลในสุดกิเลสโมหาเข้าไปอยู่ในหัวใจได้คิดว่าไปก่อมเกาหัวใจนั้นให้ลุ่มหลงมัวเมาเว่าตัวเองจะไม่แต่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะเป็นใหญ่ในทุกหัวละแห่งมีแต่โลภอย่างเดียวมีแต่โกรธอย่างเดียวมีแต่หลงอย่างเดียว เออในราคาโทสะโมหะอยู่ในหัวใจเพราะกิเลสมัีกิเลสมันเข้าไปปั่นอ่าไปนนั่งเป็นผู้บัญชาการหัวใจโดนนั่นกโง่ไปตามกิเลสกว่าจะรู้ไดโอโหตาตาตาตาตาเหมือนกับเราไปเป็นลูกน้องของของผู้ฉลาดอย่างงั้นอ่ะเขาใช้เราเป็นลูกมือเออแก่ไปยังงั้นไปแกไปงี้ไปอย่างงี้ไปอตัวที่ไหนได้ตัวเองไปทํา เป็นลูกมือให้เขาจนเขาตำรวจจะไล่จับหัวซุกหัวศูลวิ่งหนีเน่ยโทษโทษท ท, ท, ท, ท, ท, ทตายกูมาเป็นลูกน้องเขามาเป็นลูกมือเป็นกระโลของเขาเป็นผู้รับใช้ของเขาตายต ต, ตตายกูนมันขนาดนี้เหรอจนสำนึกได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละถึงจะกลับตัวกลับใจได้ท่านนี่ไม่ทำอีกแล้วจะไม่เป็นลูกน้องอของ คนที่มีกิเลสราคาโทสะอีกแล้วจะเป็นไทยแล้วนะเนี่ยแหละอันนี้กับลักษณะอย่างนั้นล่ะใจของเราท่านว่าอยู่ใต้ของใต้อํานาจของกิเลสกิเลสมันฉลาดกว่าเราก็ะทำให้เราเป็นคนโง่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะบอกพระพุทธเจ้าในท่านรู้แกวของกิเลสที่จะทําพระไทยใจของท่านแต่จากในท่านก็ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่โกลนต้นผลท่านเป็นไทยท่านเป็นอิสระกิเลสไม่สามารถที่จะครอบครอบครอบงำท่านได้อีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอีกแล้วเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะมาที่จะทําให้เราเวียนไหวตายเกิดนะเอจะไม่อยู่ในจิตใจของเราแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมนะณะทาญาติโสมแต่สุดก่อนที่ท่านจะไปถึงจุดนั้นได้นะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องให้ทานรักษาสินประกอบคุณงามความดีจากนั้นก็มีสมาธิในจิตใจคนที่มีสินแล้วก็ะมีสมาธิในเมื่อมีสมาธิดีอก็รู้จักใจมันคิดไปในทางไหนมันเป็นโทษแต่มันเป็นคนุณเออรู้ได้แต่ใจทันใจใจทันกิเลสจากนั้นก็ตัวไหนที่มันเป็นกิเลสก็สกัดออกไปทีละน้อยละน้อยละน้อย จนจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นมาได้นะจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพราะนั้นสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยถ้ า, าว่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสเข้ามาครองนะเนี่ยจิตใจไปตามนะมันโง่นะถ้ า, าว่าเรารู้เท่ารู้ทันนะใจของเราฉลาดะะเอาชนะมันได้ก็น่นแหละเด่นดวงแต่เนะเออ อย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงผูหลงตาพาประพฤติปฏิบัติอันละพอในเตนี้นะ